การัญที่สุดคื อ, ด, อ ด, ค ด, ด้านจิตใจงานก็มีมีบอลบางอย่างก็ดีและสําคัญที่สุดด้านจิตใจแต่จิตใจสําคัญแต่จิตใจเป็นไงบ้างก็มันก็จะดีบางวันไม่ดีบางวันเลยอะคะ่ะ ม, มันก็มันขาดอะไรนะคือขาดความต่อนเนื่องคือ ความรู้ความเข้าใจในจิตใจของเราเนี่ยมันมันทิ้งไปเลยเราก็คืออยู่ชีวิตแบบโลกโลกเลยคือใช้ชีวิตอยู่แบบโลกโลกไปเลยอะ่ะออกความรู้ภายในจิตใจของเรากับคําสอนหลวงตาที่เอามาสอนเนี่ยเอามาปรักกันอยู่ตลอดเวลาว่าตอนนี้ภายในจิตใจเราเป็นอย่างนี้มันตรงกับคาสอนของหลวงตาไว้อยังไงเราก็จะแก้งไงปรับในจิตมันผิดพลาดตรงไหน ตรงนี้จะต้องสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าขใจสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจละปล่อยวางสังเกตเรียนรู้ทำความเข้าใจละปล่วางไปในจิตใจของตัวเองตลอดเวลาแต่พอถึงเวลาเราขี้เกียจปฏิบัติเราทิ้งหมดเลยทิ้งความรู้ความเห็นความเข้าใจไปหมดเลยใช่ไหมมันไปอยู่กับชีวิตแบบธรรมดาเลยตามปกติเป็นโลกโลกมันจะเหมือนแบบพอ พาคือก็คือทําบ้างอะพอนึกขึ้นมาได้เราก็จะแบบเหมือนกลับมาดูอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนเราก็จะเหมือนพอเรากลับมาดูแล้วก็พยายามจะแบบทําคลองเข้าใจว่าเออมันเป็นสังขารอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็จะแบบเหมือนพอเวลาเราไปคิดถึงเรื่องแบบชีวิตประจําวันใช้ชีวิตปกติอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนเราก็จะไปอยู่กับตรงนั้นอยย อ, อย่างเดียวอะไรค่ะน่าดีมันหลุดไปเลย มันหลุดไปมัเหมือนมันจะมีช่วงที่แบบถ้าเกิดว่าดูดูใจก็จะแบบเป็นช่วงหนึ่งเลยพอพอแบบกลับไปอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะอีกอันหนึ่งเหมือนแบบมันถูกตัดเป็นช่วงช่วงอะเนี่ยมันมันไม่ขายความต่อเนื่องคือเราแบ่งไปเลยอ่ะถ้าเป็นโลกก็ทิ้งไปเลยเราจะดูจิต ก, ก็ดูดูแต่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปดูจิต มันไม่ได้รู้จิตใจของเราออกมาจากใจไม่ได้รู้ออกมาจากใจแต่เรากักเอาตัวเราเนี่ยดูจากข้างนอกเข้าไปข้างใน mm. คือดูจิตใจของเราเนี่ยเราพอเราไม่ต่อเนื่องขาดความต่อเนื่องขาดการฟังขาดการพิจารณาต่อเนื่อง mm. เราจะลักษณะการดูจิตใจของเราเราจะลักษณะคือดูจากข้างนอกเข้าไปหาจิตใจของเราข้างในถ้าอย่างนี้เราทำอย่างนี้ไปจะมันคือเอาเอาขันห้าเอาไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยปรุงแต่งเข้าไปดูจิต ดูเข้าไปดูจิตข้างในดูเข้าไปในตัวเราแต่ถ้าเป็นธรรมชาติแท้ๆเนี่ยมันรั่วออกมาจากใจใจเนี่ยมันอยู่ข้างในเหมือนกับอยู่ในสุดเป็นศูนย์กลางของเป็นศูนย์กลางของใจเราคือใจเนี่ยมันมัน <c oughs> มันเหมือนกับเป็นศูนย์กลางของจักรวาลแล้วก็ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเหมือนกับโลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ระบบสุริยะจักรวาลอั น, นล้ำลุ่มก็คือรั่วกมาจากใจรั่วออกมาจากใจว่าเราเป็นยังไง เราคิดเรานึกเราตึกเราตองเราพูดเราเคลื่อนไหวเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนมันก็รู้ออกมาจากใจเลยเนะี่ยเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงหลบหนีจากความรู้ไปได้เลยไม่ว่าจะคิดจะคิดจะพูดจะกระทําในที่รับที่แจ้งมันไม่สามารถหอดพ้นจากรู้เลยเพราะว่ามันรู้ออกมาจากใจแต่ถ้าเราเนี่ยรู้แบบเราก้มไปมองดูตัวเราเป็นระยะระยะระยะอันนี้ผิดอันนี้ยมันความรู้อันนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเนี่ย พอเรามีเวลาเราก็จะก้มมองไปดูในตัวเราพอมีเวลาเราก็ก้มมองไปในตัวเราอันนี้อันนี้อันนี้ผิดปฏิบัติเราต้องรู้ออกมาจากใจคือความรู้เนี่ยอย่าหายเิีแต่ว่าถ้าเราไม่เมือ่อเพอเพลิน เ, เ, เราก็จะรู้ออกมาจากใจได้ตลอดเวลาถ้าสมมติเวลาเราเหมือนรู้ว่าเราเหมือนข้างในเราคิดหรือว่าวิพาก์วิจารณ์อะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะ รู้ได้ยังไงว่าเราแบบดูจากข้างนอกเข้าไปหรือว่าอันนี้คือแบบมันออกมาจากข้างในมันก็คือรู้มาเลยโดยที่เราไม่ต้องก้มไปดูมันก็รู้มาเลยว่ารู้ขึ้นมาเลยว่าในใจเราวิภาควิจารณ์อะไรอยู่คิดอะไรอยู่ตึกต้องอะไรอยู่คือเหมืนไม่ต้องต้องแบบไม่ตั้งใจใช่ไหมคะเออไม่ได้ตั้งใจก้มไปดูตัวเราข้างในมันรู้ออกมาจากใจเลยโดยที่ไม่ได้ต้องตั้งใจรู้เราไม่ต้องตั้งใจรู้เลย ขออย่างเดียวเนี่ยเราอย่าส ต, ติขาดเมือเพลิๆิดๆไปกับอะไรแล้วเราก็จะรู้ออกมาจากใจได้ตลอดเวลาเลยใจเอ่ะมันจะรู้ได้ตลอดเวลาขออย่างเดียวเนี่ยคือเราอย่าเมื่อเพลินติดไปกับอะไรอย่าเม่อเพลินคิดปรุงสร้างไปใจเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่รู้ของมราโดยอัตโนมัติไม่ใช่เราเป็นคนรู้นะใจเนี่ยเขาเป็นธรรมชาติที่จะรู้ตัวเราโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะคิดพูดกระทาอะไรเราเพียงแต่มีสติ ที่จะไม่เม่อเพ้อเพลินไปคือถ้าเกิดตั้งใจดูเมื่อไหร่ก็คือแปลว่าเหมือนเรากลายเป็นว่าเราดูจากข้างนอกเข้าไปถูกต้องดูจากข้างนอกเอาตัวขัน่าเนี่ยดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในถ้าเราไม่เม่อเพ้อเพลินไปกับติดไปกับอะไรไม่เหม่อคิดเหม่อฟุ้งซ่านไปเนี่ยธรรมชาติมันจะรู้ขึ้นมาเองจากใจ ในจิตใจเราเป็นยังไงคิดยังไงมีการกิริยาการยังไงธรรมชาติจะรู้หมดเลยจากใจเราสังเกตดูสิเออถ้าดูไม่เหมื่อเพิเพไปเนี่ยเราลองทำเป็นไม่ไม่รู้สิเอะจะได้ไหมลองดูสิเราขออย่างเดียวไม่ให้เหม่อเพลเพลไปคิดอะไรไปติดไปกลับอะไรเราเราเราอยู่เนี้ยอ่ากรณีตอนเนี้ยไม่เหมือ่อเพิเพหมกมุ่นคุณคิดอะไรไปเหม่อเพลเพลอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ติดไปกลับอะไรทํา หนูจะทํายังไงให้ไม่รู้ไม่รู้ว่าจิตใจของตัวเองเป็นยังไงลองดูดิเอาทำยังไงก็ได้ถ้าเราไม่เหมื่อยเพลินเพลินกับอะไรแล้วหนูลองทําดูว่ามันจะไม่รู้จิตใจตัวเองได้ไหมทายังไงก็ได้ยังไงรู้จิตใจตัวเองมันก็จะรู้มันก็คิดจุกจิกจุ๊กจ๊กเห็นไหม นันหนูไดบอกว่าหนูก็บางทีกันเบื่อที่จะไปดูเป็นระยะระยะไม่ใช่นะเราก็ใจผิดเราเนี่ยผิดแต่ว่าให้ยมเอเพลเพลไปกับอะไรยมหมกมุ่นคุณคิดอะไรเนี่ยเราเนี่ยจะรู้ธรรมชาติของใจเราเองอัตโนมัติเราไม่มีทางเลยที่จะห้ามไมา่รู้ได้มันจะต้องรู้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเราจะไม่รู้ต่อเมื่อเราเราขาดสติเมอเพอเพลติดไปกับอะไรหรือเมอร์เมอหมกมุ่นคุณคิดเราถึงขาดสติ อันนั้นน่ยไม่รู้หรอกพ่ อ, พอเรามันมีเรื่องที่เราไปน่าสนใจมากกว่าเราก็เลยไปสนใจกับสิ่งนั้นอย่างเดียวถ้าเราไม่สนใจติดไปกับสิ่งใดสิ่งเดียวเนี่ยมันจะรู้ได้ตลอดเวล า, ดลาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากําลังตั้งใจคิดเรื่องอื่นอยู่มากๆอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนกับว่าพอเราจะดูตัวเองมันเหมือนต้องตั้งใจดูอ่ ะ, ะมันเหมือนแกว่ามันต้องตั้งใจกลับมาดูถ้าเกิดว่าเราคิดเรื่องอื่นอยู่แบบ เราก็ตั้งใจแฝงตั้งใจคิดเรื่องอื่นไปได้ไหนเราก็จะรู้เองว่าใจเราเนี่ยก็อยู่กับเรื่องที่คิดหรือไม่อยู่กับเรื่องที่คิดมันก็จะรู้ไปเองอ่ะในนั้นน่ะเบ็ดเสร็จคือมันคิดคิดอยู่แล้วเราก็รุดเต็เรื่องที่คิดไปเมื่อเผลินฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเราก็จะรู้เองว่าอันนั้นน่ะมันหลงไะหลงแต่ถ้ารู้มันมันมันคิดอยู่แล้วก็ มันไม่หลุเป็นเรื่องไหนมันก็จะรู้เองนะว่าเราเนี่ยใจเราเนี่ยยังอยู่กับเรื่องที่คิดทำามันจะไม่รู้เราเนี่ยอยู่กับเรื่องที่คิดหรือไม่อยอู enfin, remember, ่กับเรื่องที่คิดพอเราไม่อยู่กับเรื่องที่คิดเรามีเรื่องไม่สบายใจอยู่เช่นเราโมนหงิดกับเรื่องแกาแฟนมาแล้วโมนหงิดกาแฟนมาเราคิดอยู่เราลังทํางานไปกระสารอยู่ใจเราอยู่กับงานงานไปกระสารหรือไม่อยู่กับงานแปกระสารเรารู้ไหมเร็รู้ทำไมจะไม่รู้ล่ะ มันเป็นธรรมชาติหรอมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรมมนนธรมชาติที่มันจะต้องรู้ขึ้นมาเองเป็นธรรมชาติชัดงว่ามันหยีตั้งใจจะดูเกินไปมันก็เลยเหมือนเหมือนเพอสมมติเราทําอะไรอยู่แล้วพอเราแบบเอ้ยดูดูหน่อยดีกว่าแล้วก็เหมือนแบบอันนี้ผิดปฏิบัติผิดเออพอตั้งใจวันนี้ลืมดูจิตเลยแล้วเราก็ ตั้งใจดูจากข้างนอกเข้าไปข้างในตัวเราอันนี้ผิดนะอันนี้เขาเรียกว่าปักจิตเลยปักจิตเข้าไปเอาเอาขันหน้าปรุงแต่งปักเข้าไปข้างในอันนี้ผิดพลาดมาหันมันจะทําให้แน่นนะไม่จุกเราไม่ตืออ้อแล้วก็ทําให้ระบบสมองราประบบสาความจําสูญเสียหายมันําแบบเนี้นี่ ง, ง่ายๆเลยหนูเนี่ยตอดนนี้หนูไม่ได้เหมอเพอเพอไปกลับอะไรแล้วก็ไม่ได้มุ่มุ่นคุณคิดอะไร มันมีแค่สอกรณีคือเม่อเพลเพลนติดไปกับสิ่งโน้ิง น, นี้หรือก็หมกมุ่นคุณคิดอะไรอยู่ถ้าเราไม่เหม่อเพลเพลนติดไปกับอะไรแล้วก็ไม่หมกมุ่นคุณคิดอะไรอยู่หนูเนี่ยอยู่ต่อหน้าต้องตาแท้ๆเนี่ยหนูลองทํำดีกว่าหนูลองทํำยังไงก็ได้ไม่ให้รู้จิตไม่รู้จิตใจตัวเองถ้าเกิดว่ามันอยู่กับตรงนี้มันก็รู้อยูนี่้าวก็เพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็มันไม่มันไ ม, ไม่ได้เหม่อเพลเพลนมันไม่ มันไม่ได้หมกมุ่นคุณคิดเผลอหมกพุ่นคุณคิดเมื Carmen ่อคิดอะไรไปมันก ja. ็ต้องรู้เนี่ยถ้าเราเนี่ยมันเราจะไม่รู้ไม่แค่กรณีเดียวคือเราขาดสติเมื่อเผลอเพติดไปกับอะไรหรือหมกมุ่นคุณคิดอะไรอยู่ติดหมกมุ่นคุณคิดอะไรไปเลยอ่ะมุดมุดุดุดอันนี้ยมันจะไม่รู้จิตใจตัวเองเลยแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้เมื่อเพลอติดไปกับอะไรไม่หมกมุ่นคุณคิดเนี่ยเรานั่ง เกณิยามันเราต้องรู้สามอย่างคือรู้รู้เนี่ยตัวเราเนี่ยคือรู้การคิดรู้การพูดรู้การกระทําของตัวเรามันจะเป็นธรรมชาติที่รู้ตัวเราได้อัตโนมัติว่าเราเนี่ยคิดพูดกระทําอะไรอยู่เรานั่งมันก็จะรู้ตัวเรานั่งเลยเราพูดเราก็จะรู้ตัวเราพูดเราคิดอะไรอยู่มันจะรู้ตัวเราคิดจิตใจเราสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจที่เป็นเวทนามันก็จะรู้เองอ่ะกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยก็คือร่างกายจิตใจเราเนี่ย มันก็จะถูกรู้เดีวยวอัตโนมัติเองถ้าเราสติไม่ขาดเราไม่มีทางเลยที่จะไม่รู้ตัวเราเนี่ยถ้าเราไม่เมื่อเผลอเผอจิตไปกับอะไรไม่หมกมุ่นคุณคิดเนี่ยถามปุ๊บหนูจะตอบได้ทันทีเลยเนี่ยตัวเนี้ยนั่งอยู่หรือยืนอยู่นั่ง <c oughs> นั่งอยู่อ่าตอบทันสติอ่าและตอนนี้เราเป็นคนพูดกลับไปนี้หยุดพูดเป็นคนฟังตอบได้ไหมได้ค <c oughs> ่ะอ่าเห็นไหมมันจะรู้รู้ต้องตั้งใจรู้ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องเราไม่ต้องตั้งใจรู้พอถามปุ๊บตอบได้ทันทีเลย เห็นไหมไม่ต mm. huh? ้องถามพุ๊บว่าตอนเนี้ยหีเนี่ยนั่งอยู่หรือยืนอยู่เดี๋ยวขอเวดาก้มดูตัวเองก่อนก้มดูตัวเองเราคยมาบอกไหมไม่ต้องมันรู้เลยไงมันรู้ว่าเรานั่งอยู่เห็นไหมตอนเนี้เป็นฝ่ายพูดหรือว่าเป็นฝ่ายฟังแล้วก็หยุดพูดดู้ไหมตอบได้ไหมได้ก็ตอบได้ทันทีถ้าถามปุ๊บเดี๋ยวขอญาติดูตัวเองก่อนว่าตัวเองเป็นฝ่ายพูดหรือตัวเองเป็นฝ่ายหยุดพูดต้อง ต้องขอญาตดูตัวเองไหมไม่ต้องไม่ต้องอมันก็ตอบได้ทัทนทีอ่ะตอนนี้เป็นฝ่ายุดพูดอ่าตอนนี้เป็นฝ่ายพูดนี่ไหมธรรมาชาติเนี่ยมันรู้ขึ้นมาเองเลยมันรู้ขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเราเนี่ยต้องไปตั้งใจรู้มันรู้ขึ้นมาเองเราขออย่างเดียวคือเราอย่าขาดสติแค่นั้นแหละเนมื่อเพลินพินพุ่งสร้างจิตไปกับอะไรแค่นั้นแหละเนมื่อก็จะรู้มาเองเนี่ยแล้วดูสิจิตใจอ่าตอนนี้เวทนาเวทนาสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจรู้ไหม มันก็รู้เอยใชมถามอะไรร well, no ู้หมดเลยรู้ก็ไปเองไม่ตไม่ต้องขอญาตไปดูก่อนเลยเดี๋ยวขอญาตไปดูก่อนว่าตอนนี้สบายใจหรือไม่สบายใจสบายกายสบายใจหรือไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็รู้มาเลยว่าเราเนี่ยสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจนี่เป็นเวทนาก็เรื่องปกติมันรู้มาเลยเนี่ยตอนนี้ในใจเนี่ยมันมันคิดอะไรไม่คิดอะไรมันก็รู้เองเนี่ยว่าตอนนี้คิดอะไรไม่คิดอะไรไม่คิดเออตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรเออมันคิดอะไรอยู่ในใจก็รู้มันคิดอะไรจ้ะ มันมีอะไรอยู่มันก็ถ้าเราไม่เหมื่อยไมเพลินฟุ้งซ่านไปไม่ไม่หมกมุ่นคุณคิดติดไปกับอะไรในใจมันจิกจิกจิกอย่างไงเมือมันก็จะรู้เองเนี่ยเพราะเพราะถ้ามันรู้ว่าสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็จะรู้เข้าอีกว่าใครใหม่มันจิกจิกยิกอย่างไงมันก็จะรู้เองว่าในใจเราเนี่ยมันมีอาการจิกจิกหรือไม่มีอาการยิกรู้ไหมรู้มันก็รู้เองเนี่ย ว่าข้างในมีอาการจุกบจิ๊จุกบจิ๊จุ๊บจิ๊หรือไม่มีอาการจุกบจิกบุ้บจิ๊อะไรในใจมันก็จะรู้เองไงก็รู้ก็ไม่ได้ทําอะไรหรอกรู้ก็แค่รู้ตัวเราเนี่ยแหรู้ตัวเราอย่างซื่อๆอย่างที่มันตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ได้ไปทาอะไรไม่ใช่ว่าพยายามเอาตัวเราไปรู้ซื่อๆธรรมชาติของธาตุรู้เนี่ยเขาก็รู้รู้ตัวเราอย่างซื่ อ, ๆ, ๆ, สสอ ๆ, ๆอย่างที่มันไปนเนี่ยตรงไปตรงม า, มาเพราะว่ามันไม่ได้มาแทรกแซงได้หรอกธรรมชาติรู้มันมาแทรกแซงไม่ได้มันได้แต่รู้อย่างตรงไปตรงมามันมันทํากิรอกกกรแแทงไไไไมมม่่ดด้้ันเลื็ มันมารู้ตัวเราแล้วมันจะเลือกว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอามันเลือกไม่ได้นะมันก็รู้ตัวเราอย่างตรงไปตรงมาเหมือนถ้าเกิดเรารู้ขึ้นมาแล้วหยีจะแบบเหมือนชอบคอยบอกตัวเองอะไรเงี้ยเขาว่าเอออันนี้มันเป็นขันห้ามันไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่ไม่ต้องบอกเลยคือปล่อยไปรู้ชี้ชัใหม่ใเนี่ยเราก็ก็บอกมาหน่อยบอกประทพักนึงมันก็พอมันมันรู้มันรู้ของมันเองใจมันรู้ของมันเองมันไม่ยึดมันเองแล้วก็ ไอการบอกสอนมันก็ไม่ต้องบอกไม่ใหม่เราก็ต้องบอกซะก่อนค่อยๆเราเลี้ยงลูกหมาลูกแมวไว้ในบ้านแล้วเราต้องการที่จะให้มันไปออกไปขี้ไปเยอะนอกบ้านเราก็ต้องบอกสอนมันหน่อยใหม่ๆแต่ตอนหลังเนี่ยมันไปออกไ ป, ไปขี้ไปเยอะนอกบ้านแล้วเราก็ไปต้องบอกสอน<ไ><ไ>ต่อไปตอนนี้ยังหลงเรายังหลงเอาไว้ไอตัวเราเนี่ยมารู้ตัวเราอยู่เพราะว่าถ้าเราตัวเราไปรู้ตัวเราเนี่ยไอผู้รู้เนี่ยมันจะคิดได้ มันจะคิดมันจะเลือกได้อย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอามันจะมันจะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยได้มันจะว่านี่อะไรเป็นอะไรไอ้นุนเป็นไอ้นี่ไอ้นั่นเรามันยังเป็นรู้ผิดตัวอยู่มันยังเอาไอ้ตัวเรามาเป็นตัวรู้ตัวเราถ้าเราเอาตัวเราที่เป็นตัวตัวขัดหน้ามารู้ตัวเรามันจะไอ้รู้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ได้คิดวิเคราะห์วิจารแต่ชิ่งจะเอาอย่างนี้ไม่เอาไอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มันเลือกได้หมดเลยตลอดเวลาเลยแต่ถ้าเป็นธรรมชาติรู้แต่แท้ที่มารู้ตัวเราเนี่ย มันไม่ใช่ตัวเรามันเลยเลือกไม่ได้ผมไม่ใช่ตัวขาน้ามันเลยเลือกไม่ได้แต่ตัวเป็นตัวขาน้าเราเลือกได้ไอ้ตัวขาน้าตัวเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวตายนะเป็นตัวเกิดตัวตายเป็นตัวไม่เที่ยงแต่ไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยอันนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายเพราะว่ามันไม่มีตัวหาตัวไม่เจอหรอกแต่นั้นนะมันเป็นเราแท้ๆเลยนะเป็นเราแท้ๆที่มาเกิดเป็นก็เรียกว่าเป็นวิญญาณที่มาเกิดวิญญาณวิญญาณแท้ๆหรือจิตแท้ๆหรือใจแท้ๆที่มาเกิดอันนั้นเป็นเราแท้ๆ อันนั้นน่ะไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทํำลายแต่ไอ้ไอ้ตัวเราที่นั่งอยู่ที่พูดได้ที่มีความรู้สึกสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วก็คิดนึกคิดอนปรุงแต่งอะไรได้ในใจไอ้ตัวเนี้ยดับเป็นของตายแต่นี้ม่ไอ้ตัวนี้มันมันเราเนี่ยเข้าใจผิดมานานหลายภพหลายชาติเราก็ต้องบอกสอนมันเราก็ต้องใหม่ๆก็ต้องบอกสอน ไ, ไปเรื่อยๆก่อนว่าเนี่ยไอ้ตัวเราที่ตู่รู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวสมมุติมันเป็นตัวปรุงแต่ง ร่างกายที่เราเรารู้ว่าร่างกายเรานั่งตอนเนี้ยนั่งอยู่ไอ้ร่างกายที่นั่งอยู่มันก็ต้องตายแตกดับเน่าเปื่อยไปไอ้ตัวเราที่พูดตัวเราที่พูดตัวเราที่หยุดพูดที่ฟังอยู่เป็นฝ่ายฟังไอ้ตัวนี้ก็ต้องเน่าเปื่อยบุพภังไปไอ้ตัวเราที่สบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจไอ้ตัวนี้ก็ต้องตายเน่าเปื่อยบุพภังไปไอ้ตัวเราที่คิดนึกตอนพูงแต่งอะไรได้ไอ้ตัวนี้ก็ต้องตายไปแตกดับไปแต่ไอ ตัวเราแท้ๆมันไม่ใช่ตัวนี้ซิมไม่ใช่ตัวที่นั่งได้เนนั่งอยู่นี่พูดอยู่นี่คิดอยู่นี่สบายกายสบายใจไอ้ตัวเนี้ย้ามันเป็นตัวเราก็ดีสิเวลามันตายแล้วจบเลยเราไม่ต้องไปโดนโยมทุนลากออกไปแล้วเราต้องไปรับบาปเพราะกรรมอะไรมันก็จบไปเลยตัวเนี้ยมันไม่เป็นอย่างนั้นสิไอ้ตัวเราเนี่ยที่มันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยที่มันเคลื่อนไหวไปมาได้ไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตาย แต่เราแต่แท้มันไม่ตายสิไอ้วิญญาณแท้ๆ ม, ม่นไม่ตายมันไม่ตายมันก็ออกจากร่างไปแล้วแต่ยังยึดถืออะไรอยู่ผิดๆตัวยึดถือยึดถือตัวที่ผิดๆอยู่ไปยึดถือเอาไอ้ไอ้ขัน้าเป็นตัวเราไปยึดถือเอาขันหน้าไปยึดถือคนอื่นไอ้ตัวนี้ก็เหลือโยมมาทู่ก็ลากกอนไปเลยตอเนี้ยเจ้า ก, การในเวรก็ให้ผลได้ดังนั้นเราแท้มันไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยไม่เคยแตกไม่เคยดับมันอยู่ในตัวเรานี่แน่ แต่มันไม่มีตัวตนตมันอยู่ในในตัวเราเนี่แนะ่แต่ไอ้ตัวเราที่กับร่างกายจิตใ จ, จที่มันสามารถเคลื่อนไหวได้พูดได้มีความรู้สึกคิดอารมณ์ได้อันนี้ไม่ใช่ตัวเราอันนี้เป็นตัวสมมุติมันเป็นของตายของเกิดของดับของแตกของทําลายแต่ไอ้ไอ้รู้ที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยที่มันรู้ตัวเราเนี่ยอันนี้คือเราแท้แท้ที่ไม่เคยเกิดไม่เคยตายไม่เคยแตกดับทําลายไม่มีใครฆ่าเราได้เราแท้แท้เน่ยฆ่าไม่ได้มันฆ่าได้แต่ขาน่าแล้วก็ไปเกิดใหม่ได้ร่างใหม่ฆ่าได้แต่้ขาน่าแล้วไปเกิดใหม่ได้ร่างใหม่ ได้ร่างใหม่ก็ตายอีกแล้วไปเกิดในร่างใหม่แต่เราแท้ๆที่อยู่ในร่างแต่ละร่างเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยแตกไม่เคยทําลายเพียงแต่ถ่ายร่างไปเปลี่ยนถ่ายร่างไปเปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยเหมือนงูลอกคราบอ่ะก็เปลี่ยนถ่ายร่างไปเรื่อยนี่ก็เปลี่ยนถอดร่างไปถอดไปถอดไ ป, อด ไ, ปไอ้ตัวที่ถูกถอดไปก็ตายไอตัวเราถอดออกไปแล้วก็ตายไอตัวร่างที่ถูกถอดออกไปก็ตายเราจะยังยังสามารถเคลื่อนไหวได้พูดได้ มีความรู้สึกมีคิดอารมณ์ได้ก็เพราะวิญญาณยังไม่ออกจากล่างไปจิตหรืวิญญาณยังไม่ออกจากล่างไปถ้าจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่เป็นธาตุธาตุแท้เป็นวิญญาณธาตุแท้แท้ออกจากล่างไปไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวที่นั่งอยู่เนี่ยพูดได้ไหมคิดได้ไหมมีอารมณ์ได้ไหมไม่ได้เห็นไหมเพราะฉในตัวที่นั่งอยู่เนี่ยที่มันคิดได้พูดได้มีอารมณ์ได้มันไม่ใช่ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวสมมุติเป็นตัวตนมีอายุสั้นนักไอ้ตัวเนี้ยกรช้ากก็ดับหมด แต่เราแท้ๆที่อยู่ในล่างนี้ยตัวจิตหรือวิญญาณแท้ๆเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรเลยมันได้แต่รู้ตัวเราและรู้นั่นน่ะไม่ใช่ว่าต้องมาตั้งใจรู้เป็นธรรมาชาติที่ไม่ต้องตั้งใจเพราะว่าตั้งใจเนี่ยเป็นของปรุงแต่งถ้าตั้งใจรู้เป็นของปรุงแต่งแต่นธรรมชาติรู้เนี่ยคือมันรู้ขึ้นมาเลยได้ตัวของมันเองเห yeah. มือนกับดูนั่งอยู่เนี่ยพอถามพุ๊บก็รู้เลยว่านั่งอยู่เด๋ยไม่ต้องเดี๋ยวขอญาติตั้งใจดูตัวเราก่อนว่าเรานั่งอยู่หรือเปล่าไม่ต้องขอญาติตั้งใจดู บรรู้ขึ้นมาเลยถ้าสมมติว่าเราพยายามจะบอกว่าเอออันนี้มันเป็นของปรุงแต่งไม่เที่ยงเลยอค่ะมันจะเหมือนแบบเหมือนเราไปตั้งใจหรือเปล่าหรือว่ามันคือก็ต้องตั้งใจสอนแต่ว่าถ้ามันมันสิ้นยึดไอ้ตัวผิดตัวแล้วสิ้นยึดเอา ไ, ไอ้กายเนื้อกับไอกายจิตที่มันปรุงแต่งได้เนี่ยมาเป็นเราตัวเราที่แท้จริงแล้วเนี่ย เราก็ไม่ต้องบอกสอนมันต่อไปอันนี้เรายึดผิดตัวอยู่ยังยึดเอาไอ้ตัวกายเนื้อที่เคลื่อนที่ไปมาได้ที่เอากายเราที่เอาตัวเราที่มีความคิดมีความรู้สึกมีอารมณ์มีความรักวอมอวงใหญ่เป็นตัวเราอยู่เราก็ต้องคอยบอกสอนมันว่าหายโง่ทีหายโง่ ท, งทีอย่ายึดผิดตัวจนกว่าเราจะหายโง ộ, เ่เลิกยึดผิดตัวมันก็ต้อไม่ต้องบอกสอนแล้วดจะจะลองทําใหม่ค่ะเข้าใจไหมนี่เข้าใจได้ใจ